คุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษ์ตามลำดับข้อเท่าที่บรรยายมานี้เป็นการกล่าวถึงคุณค่าของจริยธรรมของไตรลักษ์อย่างรวมๆกันไปต่อไปนี้เป็นการพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์นั้นโดยจำแนกตามลำดับข้อข้อที่หนึ่งอานิจจตา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 มีตัวมีตนของมันซึ่งเดิมมีสภาพเป็นอย่างหนึ่งและบัดนี้ตัวตนนั้นนั่นเองได้เปลี่ยนแปลงแปล ร, รูปไปเป็นอีกอย่างหนึ่งความเข้าใจหรือรู้สึกเช่นนี้เป็นความหลงผิดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความยึดติดถือมัน่นนำตนเข้าไปผูกพันอยู่กับภาพความนึกคิดอย่างหนึ่งของตนเองซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง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 ความเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในด้านใดอย่างไรย่อมแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะให้เป็นในทางจริยธรรมนำหลักอนิจจตามมาสอนอนุโลมตามความเข้าใจในเรื่องของความเสื่อมและความเจริญได้ว่าสิ่งที่เจริญแล้วย่อมเสื่อมได้สิ่งที่เสื่อมแล้วย่อมเจริญได้สิ่งที่เสื่อมแล้วย่อมเสื่อมลงไปอีกได้ และสิ่งที่เจริญแล้วยอมเจริญขึ้นไปอีกได้ทั้งนี้เราแต่เหตุปัจจัยต่างๆและในบรรดาเหตุปัจจัยทั้งหลายนั้นมนุษย์ย่อมเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญและสามารถบันดานเหตุปัจจัยอื่นๆได้อย่างมากคำว่าบรรดานในที่นี้ใช้อย่างเป็นสํานวนล้อความเท่านั้นความหมายก็คือเป็นปัจจัยส่งต่อแก่ปัจจัยอื่นๆ โดยในยะนี้ความเจริญและความเสื่อมจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปเองตามลมลมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องทำและสร้างสรรได้อย่างที่เรียกว่าตามยะถากรรมในที่นี้ใช้คำว่ายถากรรมตามความหมายทางธรรมะไม่ใช่ตามความหมายที่เข้าใจในภาษาไทยคือแล้วแต่มนุษย์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 ซึงเป็นกฎธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์มีความหวังเพราะกฎธรรมชาติย่อมเป็นกลา ง, ลางจะให้เป็นอย่างไรแล้วแต่จะทำเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นขึ้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเจริญทางวัตถุหรือทางนามธรรมตั้งแต่การทำคนโง่ให้เป็นคนฉลาดจนถึงทำปูถุชนให้เป็นพระอารหันต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 ในด้านชีวิตภายในหรือคุณค่าทางจิตใจโดยตรงหลักอนิจจตาช่วยให้ดารงชีวิตอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันความจรงิงในขณะที่ทางด้านชีวิตภายนอกสามารถใช้ปัญญาหลีกเว้นความเสื่อมและสร้างสารรค์ความเจริญได้ต่างๆภายในจิตใจก็ดารงอยู่อย่างเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของความเสื่อมหรือความเจริญเหล่านั้น รู้จักที่จะถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาติและเกี่ยวข้องกับมันอย่างผู้รู้ทันที่ทรงตัวอยู่ได้ด้วยดีโดยไม่ต้องถูกซัดเวียงจุดกระชากไปอย่างเลื่อนลอยมืดมัวเพราะการเข้าไปยึดมั่นก่อติดอยู่กับเกลียวคลื่นส่วนโน้นส่วนนี้ในกระแสของมันยังไม่รู้หัวรู้หนจนช่วยตัวเองไม่ได้ที่จะช่วยคนอื่นเป็นอันไม่ต้องพูดถึง ผู้มีจิตใจเป็นอิสระรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ยึดติดถือมั่นด้วยตันหาอุปาทานเท่านั้นจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นความเสื่อมอะไรเป็นความเจริญที่แท้จริงไม่ใช่เพียงความเจริญที่อ้างสำหรับมาภูกรัดตัวเองและผู้อื่นให้เป็นทาสมากยิ่งขึ้นหรือทวงให้จมต่าลงไปอีก และจึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากความเจริญที่สร้างขึ้นนั้นได้มากที่สุดพร้อมกับที่สามารถทำตนเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้อย่างดีในทางจริยธรรมขั้นต้นหลักอนิจจตาสอนให้รู้ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายจึงช่วยไม่ให้เกิดความทุกข์เกินสมควรในเมื่อเกิดความเสื่อมหรือความสูญเสีย และช่วยไม่ให้เกิดความประมาทละเลยในเวลาเจริญในขั้นสูงทำให้เข้าถึงความจริงโดยลำดับจนเข้าใจหลักอนัตตาทำให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยจิตที่เป็นอิสระไม่มีความยึดติดถือมั่นปราศจากทุกข์อย่างที่เรียกว่ามีสุขภาพจิตสมบูรณ์แท้จริงหลักอนิจจตา มักมีผู้นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องปลอบใจตนเองหรือปลอบใจผู้อื่นในเมื่อเกิดพิบัติความทุกข์ความสูญเสียต่างๆซึ่งก็ได้ผลช่วยให้คลายทุกข์ลงได้มากบ้างน้อยบ้างการใช้หลักอนิจจตาในรูปนี้ยอมเป็นประโยชน์บ้างเมื่อใช้ในโอกาสที่เหมาะสมและโดยเฉพาะสำหรับให้สติแก่ผู้ไม่คุ้นหรือไม่เคยสานึกในหลักความจริงนี้มาก่อน แต่ถ้าถึงกับนำเอาการปลอบใจตัวแบบนี้มาเป็นหลักในการดํารงชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ด้วยการปลอบใจตัวเองอย่างนี้จะกลับเป็นโทษมากกว่าเพราะเท่ากับเป็นการปล่อยตัวลงเป็นทาตในกระแสะโลกหรือการไม่ได้ใช้หลักอนิจจตาให้เป็นประโยชน์นั่นเองเป็นการปฏิบัติผิดต่อหลักกรรมในด้านจริยธรรมขัดต่อการแก้ไขประปรุงตนเอง เพื่อเข้าถึงจุดหมายที่พุทธธรรมจะให้แก่ชีวิตได้กล่าวโดยย่อจริยธรรมหรือการรู้จักถือเอาประโยชน์จากหลักอนิจจตามีสองขั้นตอนคือขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปรารถนาก็บรรเทาหรือกำจัดทุกโศกได้ เมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงที่พึงใจก็ไม่หลงไหลมัวเมาโดยรู้เท่าทันกฎธรรมดาขั้นตอนที่สองเร่งขวนขวายทํากิจที่ควรทําต่อไปให้ดีที่สุดและทําด้วยจิตใจที่เป็นอิสระเรารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นไปเองหรือเลื่อนลอยหรือตามความปรารถนาของเรา ผู้ที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ยั่งยืนยอมเปลี่ยนแปลงไปจะทำอะไรไปทำไมและปล่อยชีวิตให้เลื่อนลอยปล่อยอะไรอะไรเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องแสดงถึงความเข้าใจผิดและปฏิบัติผิดต่อหลักอนิจจตาขัดกับพุทธโอวาทที่เป็นปัจฉิมวาจาว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำกิจให้สำเร็จ ด้วยความไม่ประมาทประโยคหลังแปลอีกอย่างหนึ่งว่าท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ชนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือแปลตรงตรงสั้นๆว่าเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม